ข่าวหน้ากลุ่มโดยดังตรินคนทุกคนมีค่าอยู่ตรงหัวใจเ <Passover> ฮ้อห น, นุ่มชาวรัสเซียค่ากันในเกมออนไลน์ไม่พอตามมาคัดกรรมกันในโลกความจริงคนสมัยนี้เป็นอะไรกันไปหมดนะเติบโตมากับเกมไม่พ อ, อยังตายไปเพราะเกมอีกสงสัยคงเห็นเกมเป็นชีวิตของตัวเองจริงๆกันละ คนตายก็ไม่ใช่อายุน้อยๆปาเข้าไปตั้งสามสิบสามแล้อีกหน่อยอาจได้เห็นการตามราวีกันนอกเกมบ่อยกว่าที่เป็นอยู่ครับ เพราะไม่นานเกินรอเราจะมีหมวกอิเล็กทรอนิกส์ล้ำยุคสวมแล้วมันจะหลอกสมองของเราให้เห็นโลกอีกใบหนึ่งเป็นจริงเป็นจังจับต้องได้เหมือนอย่างที่คุณกำลังเห็นและได้ยินอยู่ในโลกใบนี้พ่อหมวกให้เทคดังกล่าวถูกนำมาประยุกต์กับเกมบนอินเทอร์เน็ตเด็กยุคหน้าจำนวนมากจะเติบโตขึ้นมาพร้อมกับอุปาทานว่ามีโลกอยู่สองใบใบหนึ่งมีหน้าที่ให้กาเนิดเลือดเนื้อ ส่วนอีกใบเป็นหลักแหล่งสิงสู่ที่แท้จริงของจิตวิญญาณโลกที่ประกอบเป็นรูปร่างขึ้นมาด้วยดินน้ำไฟและลมใบนี้มีข้อจำกัดตามกรอบของธรรมชาติส่วนโลกที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์อาจแหวกทุกข้อจำกัดได้ด้วยพลังจินตนาการพูดให้ฟังง่ายคือถ้ามนุษย์สามารถจินตนาการถึงสวรรค์ได้ในการอันใกล้มนุษย์ก็สามารถสัมผัสสวรรค์ หรือกระทั่งเกินสวนรรค์กันได้แต่อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าก็ขอให้ดูแนวโน้มจากปัจจุบันทุกวันนี้หล่อมนุษย์เสพความบันเทิงแบบไหนกันโดยมากคำตอบคือสิ่งที่คุณเห็นจนคุ้นตาเราได้ข้อสรุปกันจากสารพัดภาพยนต์และเกมนาน า, นาว่ามนุษย์ยุคนี้ชอบความตื่นเต้นในฉากไล่ล่าหารือโหดแบบนรกมากเสียกว่าความเย็นใจในฉากสงบผาสุขแบบสวรรค์ จิตแบบมนุษย์เป็นอะไรครึ่งๆกลางๆระหว่างรักสันติแบบเทพกับโปรดปราณการไล่ล่าฆ่าฟันแบบสัตว์ป่าและมนุษย์ก็เลือกที่จะใช้เทคโนโลยีกระตุ้นสันดานดิบแบบสัตว์ป่ามากกว่ากล่อมกลาวจิตใจให้อ่อนโยนจากการสุ่มสำรวจพบว่าเกมมีแนวโน้มจะโหดเหี้ยม ไร้มนุษยธรรมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ออกวางในตลาดสามัญไม่ต้องลักลอบซื้อขายกันแต่อย่างใดด้วยสิ่งที่ทําให้คนฆ่าคนคือความเจ็บใจและเราก็มีเครื่องมือกระตุ้นความเจ็บใจให้แก่กันและกันแรงขึ้นทุกทีท้าภาพของความเมตตาและการให้อภัยไม่ผุดขึ้นกระทบตากระทบใจคนในโลกมากกว่านี้ในที่สุด พวกเราจะหลงลืมว่าตนเองเป็นมนุษย์และสำคัญตัวว่าเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อยู่เพื่อเสพความบันเทิงในแบบกระหายเลือดรูปเดียว 在午后，你就是我，就是生命，就是快乐，就是幸福。